พบสถานการณ์ยุ่งยากใจแล้วเลือกคิดดีเลือกคิดร้ายหรือไม่เลือกข้างเลือกคิดดีจะคิดดีได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆอาจสับสนอยู่ระหว่างตัวเลือกที่ดีน้อยหรือดีกว่าชีวิตเป็นสุขเลือกคิดร้ายจะคิดร้ายได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆอาจสับสนอยู่ระหว่างตัวเลือกที่ร้ายมากหรือร้ายกว่าชีวิตเป็นทุกข์ ไม่เลือกข้างรุมๆดอนๆระหว่างฉลาดกับโง่เหมือนสองคนตั้งป้อมจะทะเลาะ ก, กันตลอดเวลาไม่รู้แน่ว่าสุขหรือทุกข์ถ้าคุณพบว่าในหัวของตัวเองมักมีความคิดดีและความคิดร้ายเกิดขึ้นพร้อมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเผชิญสถานการณ์ยุ่งยากใจนั่นแปลว่าคุณยังหาตัวเองไม่พบ เมื่อชีวิตยังแขวงไปบนเส้นทางที่ไม่แน่นอนเอาแน่ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างคิดดีหรือคิดร้ายจะเลือกเบียดเบียนหรือเกื้อกูลความคิดของคนเรามักแตกเป็นสองเสียงเหมือนสองคนตั้งป้อมจะทะเลาะ ก, กันตลอดเวลาคุณนึกว่ามีตัวคุณตัวจริงอยู่แต่ต้องลำบากใจกับการพบตัวคิดดีกับตัวคิดร้ายที่ชอบมาเสนอหน้าให้เลือกว่าจะเข้าข้างไหน ที่จริงแล้วคุณยังไม่มีตัวจริงต่างหากไม่มีใครเป็นอะไรอย่างหนึ่งด้วยความบังเอิญตัวตนที่แน่นอนเกิดจากการจงใจเลือกคิดเสมอเริ่มชีวิตธรรมชาติจะใส่เงื่อนไขที่เหมาะสมไว้เช่นตอนเป็นสุขมีแนวโน้มจะคิดดีแต่ไม่ได้ประกันว่าจะคิดดีเสมอไปตอนเป็นทุกเกิดแนวโน้มให้คิดร้าย แต่ก็ไม่มีอะไรบังคับให้ต้องคิดร้ายอย่างแน่นอนคุณเลือกได้สุดแท้ตัวว่าจะมีเสียงใดบรรดาลใจให้เลือกอากคุณไม่แค่เลือกตามอารมณ์เป็นครั้งครั้งแต่มาถึงจุดหนึ่งที่ตกลงเอาข้อสรุปกับชีวิตทั้งชีวิตของตนแบบเป็นเด็ดเป็นขาดว่าจะเลือกข้างดีหรือคิดร้ายจะเลือกข้างเบียดเบียนหรือเกื้อกูลจะเลือกโต้ตอบด้วยโทสะหรือเมตตา แล้วค่อยๆสั่งสมบารมีผ่านด่านพิสูจน์ใจและหลายครั้งว่าตกลงคุณจะเลือกข้างคิดดีเกื้อกูลเมตตาในที่สุดความคิดร้ายๆจะหายไปจากหัวหรือถึงแม้ปรากฏก็เบาบางคุณไม่อยากเอาไม่อยากถือหางเข้าข้างอีกต่อไปตอนพบสถานการณ์ยุ่งยากใจแต่ยังเหลือแค่ความคิดดีๆอยู่ฝ่ายเดียวนั่นแหละความตั้งมั่นอยู่บนเส้นทางคิดดี เมื mm ่อเลือกข้างคิดดีคุณจะคิดดีได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆบนเส้นทางของชีวิตที่เป็นสุขถึงแม้สับสนก็สับสนอยู่ระหว่างตัวเลือกที่ดีน้อยหรือดีกว่าเมื่อเลือกข้างคิดร้ายคุณจะคิดร้ายได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆบนเส้นทางของความเดือดเนื้อร้อนใจถ้าหากจะต้องสับสนก็สับสนอยู่ระหว่างตัวเลือกที่ร้ายมากหรือร้ายกว่า แต่หากไม่ตกลงกับตัวเองไม่เลือกข้างดีข้างร้ายให้แน่นอนคุณจะรู้สึกลุ่มๆดอนๆ อ, อยู่ในระหว่างความฉลาดกับความโง่บนเส้นทางที่ไม่รู้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่